พูดเรื่องอะไรวันนี้พูดไปด้วยจิบน้ําร้อนไปด้วยอากาศมันเย็นตอบขอให้แยกทางค่ะว่าที่บอกว่าเวลาได้ยินเสียงก็ให้สัตว์แต่ว่าเสียงอย่าไปตีค่าใช่ว่าเสียงนกเสียงแมวเสียงคนเสียงเครื่องยนต์ค่ะเราไม่ตีค่าย่างเงี้ามันพอได้ยินเสียงปุ๊บมันก็รู้แบบว่เสียงแมวร้องอ่า อันนั้นรู้ในชั้นของสมมติรู้ด้วยวิญญาณรู้ด้วยวิญญาณเป็นชั้นของสมมุติเป็นทุกขสัจจ์วิญญาณการรับรู้พวกนี้เป็นทุกขสัจจ์ต้องรู้ในชั้นของวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือเสียงก็คือเสียงจะเป็นเสียงนกเสียงแมวเสียงหนูเสียงหมาเสียงคนเสียงรถเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า มันมันคือเสียงอันเดียวกันเพียงแต่ว่าโทนเสียงมันต่างกันนะแต่มันก็คือเสียงในในชั้นของการปัสสนานี่นเองถ้าสมมุติว่าเสียงฟ้าร้องมบปึ๊กแล้วก็อ๋ออันนี้คือแค่เสียงใช่แต่ในแกนเขาบอกว่าโอ้ฟ้าร้องไงอันนั้นคือรู้โดยสมมุติรู้โดยสมมุตินี้ไม่ได้ถูกทิ้ง ก็รัรู้โดยว่านั้นคือชั้นของสมมติแต่ชั้นพ้องวิปัสสนาคือการรู้โดยแค่ว่าเสียงความรู้อย่าใช้ชั้นเดียวสิใช้หลายๆชั้นเราเราก็ปฏิทินสมมติเราก็รู้สมมุติเหมือนกับว่าโดยหลักปรมตัตชหาคำนวณตามวิปัสสนาไม่มีชายไม่มีหญิงใช่ไหมแต่เรารู้ความเป็นชายเป็นหญิงโดยสมมติถูกใช่ไหม มันไม่ใช่คนบ้าอะไรไม่รู้ชายรู้หญิงไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้โดยสมมุตินรู้ใช่ไหมรู้โดยปรามัดหน่อยอีกอี่คือการรู้สัจจในความรู้ของสัจจในชั้นของสัจจเป็นปัญญาอันนั้นอ่ะรับรู้ทางปัญญาแต่รู้โดยสมมุติน่ะเราก็ไม่ด้ทีงสมมุติเราก็ยังแยกแยกออกว่านี่ชายนี่หญิงโดยปรามัตดหรือโดยโดยสัจจแล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมพ่อแม่ไม่มีนะ มีอะไรมีแต่ธาดินน้ำไฟลมใช่ไหมล่ะเพราะนั้น <_ d isc uit> ความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีแต่เรารู้โดยสมมติว่าพ่อนี่พ่อ <_ d isc uit> นี่แม่รู้เราไม่ได้ทิ้งความรู้เดิมเราสร้างความรู้จริงขึ้นมาทางด้านปัญญาเป็นความรู้ในชั้นของการไถ่ถอนการยึดถือยึดถือในสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหญิงเป็นชายเป็นเสียงนกเสียง มาเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงรถเสียงลาเสียงคนอย่างนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งความรู้สนินี้เราก็รู้อยู่แต่อย่าให้ความรู้พวกนี้ครอบงำแล้วยึดถือในรูปพวกนี้ในในเสียงพวกนี้นะอย่าให้เสียงพวกนี้ครอบงำแล้วก็ยึดถือในเสียงเป็นจริงเป็นจังมันก็แค่ศัตว์ต่อว่าเสียงจะเป็นเสียงยังไงก็ตามเข้ามาด่าหรือเสียงด่ากับเสียงชมก็เท่ากัน ก็คือสัตธรรมเสียงแต่ถ้าเราไปตีข้าวอันนี้มันคำดานิวามันเป็นยังไงมันสัจ์แต่ว่าหรือเปล่าสัจธแต่ว่าคือสร้างสร้างกรรมใช่ไหมพราะไม่รู้ในเสียงตามความเป็นจริงจึงเกิดอะความอยากใช่ไหยจึงเกิดกิเลสกรรมวิบาสขึ้นเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยเมื่อมีความรู้แล้วก็สัตธรรมเสียง<ๆ>ก็ดามาก็สัตธรรมเสียง หลายคนเขาก็ด่าตมามา ก, ก็สักแต่ว่าเสียงหลายคนก็ชมตมาตม า, มาก็สักแต่ว่าเสียง ก, ก็แค่เสียงจะเอาอะไรมันก็รู้มาหมดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มันก็แค่เสียงแล้วนั้นแหละคนที่มีปัญญาเขาจะรู้ว่าเสียงไหนควรกําหนดรู้เสียงไหนควรละ เสียงไหนควรทําให้แจ้งและเสียงไหนควรจเจริญขึ้นเห็นไหมเขามีปัญญาเขาจะรู้อยู่เสียงทำควรละไหมไม่คนรละคนรทาอะไรควรจเจริญขึ้น <c oughs> เสียงต่างๆในโลกที่ทําให้เราติดยืดหรือร้องเพลงอย่างเสียงร้องเพลงอย่างควรทําไงละมันละนี้ไม่ใช่ไม่ฟังนะฟัง ก็เราหนีไม่ได้อยู่แล้วบางทีบ้านโน้นก็เปิดใช่ไหมบ้านนี้ก็เปิดใช่หมเมันฆ่ามากนี่ก็ฟังแต่เราก็ฟังว่าฟังโดยโดยสมมุติในเสียงร้องแต่กิตภายในของเรากิดทางปัญญาคืออะไรกำหนดรู้ละใช่ไหมละ่ะทําให้แจ้งกำหนดรู้ละทําให้แจ้งกำหนดรู้ละทําให้แจ้ ง, อ, ง, จงอยู่นะ่นลความผิดผิดในเสียง ัอ้ครับอะไรเรื่องขัเา อ, อันนี้มาหรือยังครับเรียบร้อยเขาก็ก็สั่งไปแล้วนี่สั่งไปแล้วก็โอนเงินให้เขาเขาโอนหลัฐานยังมาเรียบราอยไหก็ก็โอนเงินไปตามนั้นแหละเออเดียวเลย ะจะพูดเรื่องอะไระออเลยเที่ที่ยกตัวอย่างเสียงเพลงมันก็จบแค่นี้แล้วเสียงเนาะมันก็ไม่มีม ก, มมมก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติทํามไม่ได้ทิ้งสมมุตริรู้สมมุติตามสมมุติเป็นเป็นจริงถ้าไม่รู้จักสมมุติก็จะเข้าวิมุติไม่ได้ต้องรู้สมมุติก่อนเข้าใจสมมุติก่อน ดีชั่วถูกผิดเป็นสมมุติใช่ไหมสิ่งที่บิมุติสิ่งที่เป็นปรามัดไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไหมบุคคลผู้อยู่ในวงของสมมุติจู่ๆจะาเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้บอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วก็เลยไม่ยอมทําอะไรเลยได้ไหม คำว่าไม่ถูกไม่ผิดไม่ดีไม่ชั่วไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องรู้วิมุตต์ต้องรู้สมมุติอย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตถอนออกจากการยึดถือในสมมุติทั้งปวงแล้วเข้าสู่วิมุตต์อันนั้นอ่ะจะทําอะไรก็ได้อันนันอ่ะเข้าใจไหมจะ แ, แต่ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้โดยไม่สนใจใ ย, ยดีสมมุติไม่ใช่นะเพราะนี่ยังเป็นสมมุติอยู่เพราะยังอาศัยสมมุติอยู่ตัวเนีหย ตัววิบุทนั้นต้องไม่มีตัวขันทั้งหมดหากยังมีขันยังต้องมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดว่ากันไปตามถูกกิจว่ากันไปตามหลักแห่งความดีความชั่วคุณงามความดีในโลกโลกนี้จึงสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแต่การที่เอาออกจากโลกต้องอาศัยหลักธรรมใช่ล่ะหลักธรรมกับคุณธรรมจริยธรรมไม่เหมือนกัน คุณธรรมจริยธรรมจะเป็นพวกเรื่องของศีลธรรมเมตตาธรรมอย่างเงี้ยแต่ละกธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมและไม่ใช่เมตตาธรรมหลักธรรมนะมีดินมีน้ํามีไฟมีลมมีจิตมีเกจตสิทมีลูกก็เรียนรู้พวก น, นี้ดินมันดีหรือมันชั่วหรือเปล่าในตัวของมันมีดี สี่และสี่รูปก็เหมือนกันไม่มีดี ม, มีไม่มีดมีมีชั่วในตัวของมันเรียนรู้พวกนี้เมื่อเราเรียนรู้พวกนี้มากเข้ามากเข้ามันจะถอนออกไปถอนๆๆไปถอนไปทําลายความเห็นผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นอันดีอันชั่วทีต่ติดอยู่ในเราเนี่ยก็พอยึดมั่นถือมั่นกันทั้งนั้นไปให้ความหมายของมันทั้งนั้นที่เราไปให้ความหมายและยึดถือกันอยู่ก็ไม่รู้และไม่เข้าใจเราไม่รู้จักเส้นผมตามความเป็นจริง เราจึงรักษาเส้นผมไว้เราไม่รู้จักโคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผืดไตปอดไส์ใหญ่ไส์น้อยตามความเป็นจริงเราจึงหัวแขนงธนูธ น, นอมด้วยอำนาจแห่งตันหาคเจ้าบอกว่าให้ดูแลรักษามันพอให้เป็นไปได้ใช่ไหมละ่ะยาปนะมัดตันพอยังอัตภาพให้เป็นไปพอเป็นไปได้อย่าไปอะไรนักหนามา ลำดับจิตของแต่ละคนบางคนบอกว่า อ, อาจารย์ทางสายกลางบีทีมันยากไม่เกินน้เมื่อไหร่มันจะเป็นทางสายกลางสักทีก็รู้อยู่นะว่าทางสายกลางคืออะไรแต่ทำไมมันมันไม่เข้าถึงทัศทีทางสายกลางเป็นยังไง ได้ไหล่ะเดินกันได้ไมหมล่ะทางสายกลางฮะเอาศีลห้านี้ไม่ใช่ทางสายกลางย ม, ม, ม, ม, มันก็ยังมีอะไรที่่มันมีไม่ใช่ศี<ม>ห้านี้ไม่ใช่ทางสายกลางที่ที่เราสามารถทำกันได้เป็นทางสายกลางหรือเปล่าศีห้าการให้ทานนี่เป็นทางสายกลางไ ห, หนนงงมฮะไม่ทราบเพราะพูดถึงทางสายกลางผมจะ่นิถึงตอนที่ ช่วยเป็นเจ้าแต่ที่พอเมาร่างกายแล้วก็กลับมากลับมาฉันน้ำโอยอันนั้นเป็นตัวอย่างมันจะไปคิดอยู่แต่ด้านเดียวกูเห็นภาพแต่ด้านเดียวเห็นเรื่องที่โพวงโซงแสดงด้านเดียวมันมีร้อยในพันในต้องตีให้ออกตีให้แตกถ้าตีไม่แตกก็จะมีทางเข้าใจก็ไปอยู่แต่ว่ากูไม่ได้นั่งนอนบนน้ำกูไม่ได้บูชาไฟกูไม่จีบอยู่ในทางสายกลางแล้วไะกูก็ไม่อยู่ในทางสุดโต่งแล้ว ไม่ใช่หรือไม่ได้ทำตัวเองให้บกหุนอยู่ในการมาสุแต่เราค็คงอยู่ในสา ย, สายการลวมั่งอันนี้ก็ไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ว่าตั้งข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วทำที่นอกเหนือจากสิ่งที่บงทรงสอนไว้ไม่ใช่ว่าการทำตัวเองให้ลำบากเปล่าเป็นทางสายกลางเช่นบาเพ็ญตะบะด้วยความอุกฤษเปื่อนผ้าไม่ยอมใส่ผ้า นั่นก็อุ ก, กิจถือว่าเสื้อผ้าเป็นกิเลสการนุ่งเสื้อผ้าอยู่ยังมีกิเลสอยู่ยังยึดถือตัวเองอยู่บูชาไฟตัวเนี้ยเข้าใจว่ากอไฟขึ้นแล้วมันมีตะแคงอยู่ข้างบนเอาตัวเองขึ้นไปนอนอยู่ตรงนั้นเอาไฟเนี้ยย่างเขาเรียกว่าย่างกิเลสเดี๋ยวไฟเนี้ยจะเผาจะเผากิเลสภายในตัวเราให้เหงื่อแหกไป อันนั้นอยอมทนร้อนอยังไงก็ต้องยอมทนนัน่งนอนบนน้ำาเห ม, มล่ะหรือแม้กระทั่งอดอาหารทาทุกขะละักกิริยาเราไม่ได้ทำในด้านอัตากิรมหานุโยพเพื่อที่จะอยู่ในทางสายกลางแล้วเราก็พยายามหาวิธีการเพื่อที่จะทําทสร้างรูปแบบขึ้นมาในการทำและให้เป็นทางสายกลาง มันก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทางสายกลางหรือเขาบอกว่าการเสพสุกทำบกมุนในการมาสุขแล้วเมื่อบกมุนในการมาสุขแล้วเราจะเบื่อในในการมาสุกนั้นกิเลสจะหมดไปเองการเบื่อในนั้นจะเบื่อในแล้วจะสลัดออกแล้วก็จะหมดเองแล้วเราไม่ทําอย่างนั้นเพราะนั้นคือการสุดตรงอย่างหนึ่งเราคิดว่านั่นคือทางสายกลางไม่ได้ ทางสายกางแล้วทำไงทางสายกลางรักษาศีลทำสมาธิจเจริญปัญญาีกเรือทางสายกลางฮะทางสายกลางอยู่ที่ไหนงงเฮ้ยยังงงกันอยู่เลย ยังงงกันอยู่เลยสายกางยังง ง, ง, งกันอยู่เลยมาอยู่ที่ไหนมีน่าถึงเดินยันไม่ถูกถ้าเดินถูกก็เป็นห้าดีเจ้าไปหมดคือเราไม่รู้ว่าอะไรคือการอะไรคือมากเกินอะไรคือน้อยเกินไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับมากเกินหรือน้อยเกินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยทางสายกลางไม่ได้เกี่ยวกับ เนี่ยคิดกันคิดกันหมดเลยทางสายกาคืออันเดือก็คืออาริยามากมีองค์ก็อาริยามากมีองค์แปดนั่นแหละคืออะไรล่ะมันปฏิบัติยังไงล่ะใช่ทางสายการคือเหตุทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกเห็นทางปฏิบัติได้ถึงความดับทุกนี่คือทางสายการเขบอกอันนั้นเป็นทางสายการระดับของพระอริยเจ้า ก็ถูกเพราะว่ามีพระอริยเจ้าเท่านั้นที่เห็นทุกข์ได้แล้วทางสายกลางระดับบุรุชนทํำยังไงบุตุชนก็ต้องเห็นคล้อยตามเห็นคล้อยตามอริยสัจถึงแม้จะยังไม่เห็นอริยสัจแต่ให้เห็นคล้อยตามอริยสัจคือเห็นทุกข์เห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์เห็นทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ทาอริยเจ้าท่านเขาสู่ทางสายกลางอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาหรอกแต่เรากู้กาลังจะเดินตามเนี่ย จะเดินยังไงก็ต้องเห็นคอยตามเพอรันทางเดินสายการกเป็นเรื่องของความเห็นไม่ใช่เรื่องของการทาว่ามากหรือน้อยหาตอนมีความเห็นที่ถูกต้องอดอาหารตลอดชีวิตก็เป็นทางสายกางเห็นไหมนั่งสมาธิท่าเดียวอย่างเงี้ยท่าเดียวไม่เดินไม่ยืนไม่ไม่นอนท่าเดียวอย่างงี้ก็เป็นทางสายการไม่ขยับขาเทลื่อไปไหนหามีความเห็นที่ถูกต้อง หากเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกเห็นทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกนั่นก็ทางสายกลางเข้าใจไม่นอนเลยตลอดทั้งคืนแต่มีความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นทางสายกลางทีนี้ให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาโดยไม่มีความเห็นทุกไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกไม่เห็นความดับไปของทุกไม่เห็นทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกเป็นทางสายกลางไหม ใช่เพราะนั้นการกระทําไม่ใช่ทางสายกางแต่ความเห็นใช่ไหมความเห็นเป็นตัวนําเป็นตัวนําทางผู้ย่างให้ใช้ความเห็นเป็นตัวนําทางเป็นตัวเป็นทางเลยแหละออาพูดง่ายๆยังก็พูดย้ำกันมาไม่รู้เท่าไหร่หรเท่าไหร่นั่นนี่ฮ้เรื่องนี้ไ ห, หบบยเพิ่งทราบวันนี้เพิ่งทราบวันนี้แต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยตั้งใจฟังเลยไม่ตั้งใจทราบเลยฟแต่ว่าไม่ได้ย่งเป องคนก็บอกว่าทางสายกลางในชั้นของบุทุชนที่ยังไม่สามารถมองเห็นค้อยตามอริยสัจต่ำกว่านั้นอ่ะพอที่จะเดินได้มีไหมก็บอกว่ามีคืออะไรคืออะไรครับคือยังไม่สามารถยกกิตขึ้นไป เห็นพวกคือไม่ไม่สามารถคล้อยตามอริยสัจได้อันอันที่บอกให้คล้อยตามอริยสัจหมายถึงว่าบอกทางสายการสําหรับผู้มุ่งที่จะออกจากวัฏจัแต่บุคคลที่ยังเป็นไปในวัฏจัเนี่ยยังไม่อยากจะออกจากวัฏจักรอีกเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลมีสอประเภทบุคคลที่พอใจในวัฏจักึกับบุคคลที่ไม่พอใจในวัฏจักหนึ่งบุคคลที่ไม่พอใจในวัฏจัอยากจะออกจากวัฏจัก็อาศัยทางสายการก็ต้องมีความเห็นคล้อยตามอริยสัจ แต่บุคคลที่ยังพอใจในวัตตาดอยู่จะเดินทางสายการอย่างไงยังไม่อยากจะเห็นอริยสัจนะก็ไปดูในสมาทิฏฐิสิไอความเห็นชอบนะ่ะอะไรรวมอยู่ในสมาทิฏฐิบ้างในชั้นของโลกิยงังบุคคลผู้ยังวนเวียนในโลกเนี่ย ฮะให้เห็นอะไรสมาธิเห็นว่าเห็นความดีเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความชั่วเข้าใจไหมเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วไม่ใช่เห็นดีชั่วพนกันหมดเลยอะไรดีอะไรชั่วกูก็ไม่รู้สักอย่างหรือไปยึดถือเอาอันที่ชั่วว่าดีไปเอายึดถืออันดีมาชั่วอย่างเงี้ยยึดถือว่าเอาเงินเอาเงินทําบุญถวายพระจึงจะได้บุญอันเนี้ย ถือถืออะไรถือชั่วเป็นดีอันนั้นเป็นสมถิธิหรือมิฉาธิธิมิจฉาธิธิแล้วคนทําอยู่อย่างนั้นตลอดชัตลอดชีวิตเนี่ยคิดแต่ว่าต้องเอาเงินทำบุญเอาเงินทําบุญเอาเงินทําบุญให้พระเป็นทางสายกลารไหมเห็นบุญเป็นบุญเห็นบาปเป็นบาปเห็นไหมบุญก็คือบุญบุญก็คือบุญจริงๆบุญกฐิน เอาต้นเงินแห่ไปต้นกล้วยแล้วมีไม้เสียบแนบเข้าไปเป็นต้นกระถินแห่ไปถวายผ้าในงานบุญกระถินนับเงินได้ยอดเท่า น, นั้นล้านเท่า น, นี้ล้านถามว่านั่นคือเห็นบุญเป็นบุญไหมไม่ใช่บุญกระถินคืออะไรเอาผ้าใช่ไหมไม่ใช่เอาต้นเงินต้นทองไปเอาผ้าไปถวายเสร็จจบเรียบร้อย นั่นคือเห็นบุญเป็นบุญอย่างเงี้ยอันที่เอาต้นกระถิ น, นต้นเงินไปน่ะถ้าเป็นผ้าปาก็เอาอะไรฟางข้าวมัดกันเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนอไม้มาเสียบเงินแนบอยู่กับไม้น่ะเป็นต้นไปต้นผ้าปา่าแล้วก็ บ, บุญอะไรบุญข้าเวเก็ดข้แห่กันฟังเทศสิบสามกันบุญบ้างไฟ มันเรียกว่าเป็นบุญได้ยังไงบุญบางไฟเห็นจะเป็นบุญตรงไหนจุดบางไฟมันนี้เฉยจะเป็นบุญอยู่เลยอันนั้นเองเห็นเห็นบุญไปเห็นอะไรเห็นบาปเป็นบุญนิชาทิฏฐิทท่านั้นเลยนะน่ะไม่ใช่ทางสายกลางแม้จะให้ทานอยู่แม้จะรักษาศีลอยู่แม้จะทำสมาธิอยู่แม้จะเจริญปัญญาอยู่ก็ไม่ใช่ทางสายกลางเห็นบุญเห็นบุญเป็นบุญเห็นบาปเป็นบาป เห็นอะไรเห็นว่าการให้ทานมีผลใช่ไหมจัดอยู่ในสมาธิถินะสมาธิถิสิบประการนะนะเทศมามีรู้เท่าไหร่เทศคนอาตมาก็ยังจําตัวเองไม่ได้ว่าเทศอะไรไปเยอะแยะมากมายนะนี่สมาธิถิสิประการมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้จักสมาธิถิสิประการคืออะไรก็เดินทางสายการได้อยู่เลยนี่ แล้วพุทธศาสนาเราสอนทางสายกลางมาเป็นระยะเวลายาวนานคนในพุทธศาสนาะนับถือพุทธศาสนาแต่เดินทางสายกลางกันไม่ถูกพอแล้วศาสนานี้มีรู้จะมีไว้ทําไมอ่ะทีนี้เดินทางสายกลางกันไม่ถูกแล้วไปเดินทางสายไหนล่ะสายมันไม่กลางสายไหนเวลาจะแห่กันเข้าไปในวัดต้องเดินเวียนรอบโบสถ์สามโบสถ์แห่งเงินทําบุญอ่ะ เวียนทำไมเดินรอบเดินเดินไปสามสามรอบก็คือสามภพเวียนวนอยู่สามภพเป็นเป็นปิศนาทมให้รู้ว่ามนุษย์เราเวียนวนกันอยู่นี่อสามภพเนี่ยการมาพบรูปพบอรูปพบเกิดตายเกิดตายนเวียนกูอย่างนี้เข้าใจไหมสามภพนี่แหละคือที่อยู่ของมนุษย์ แล้วไม่อยากจะออกจากภบกันสัทีเดินเวียนกันนั้นแหละแง่กันนั่นนั่นสามภพบน้าจะเข้าโบสถก็เดินเข้าไปโบสประตูโบสถ์ตรงๆเลยก็เดินเข้าไปไม่ได้หรือไงต้องเดินเวียนก่อนคือพู ด, พดได้ไงกัยังไม่อยากนี้ออกจากภพก น, นะเนี่ยคือมิฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดแล้วมันเดินทางเส้นไหนกันทุกวันนี้ ไหนล่ะมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยไหมจริงว่าเขาได้เหรอ่าจําได้เอาพูดมาคนจําได้<ช>หนึ่งเห็นบุญเป็นบุ ญ, บ ญ, เ, บญเห็นบาปเป็นบาป เ, เชื่อว่าโลกนี้มีโลนามีเชื่อว่าโลกนี้มีเชื่อว่าโลกหน้ามีบุญคุณของพ่อแม่มี อ, อ, มมอะไรนะสัตว์ที่ขุดเกิดขึ้นมีการบูชาอย่างมีเหตุสัตว์ที่ขุดเกิดขึ้นมีอบปติกะมี ก, การกา ร, การเส้นสวงบูชามี เส้นสวงบูชาไม่ใช่เส้นไหว้นะก็ยังไม่ไม่ใช่เส้นไหว้ฮหาเครื่องเส้นไหว้อะไรอย่างงี้ยเขาใช้คําว่ายันใช่ไหยการทํายันผลเห็นการทํายันมียันคือการสักระบูชาเส้นสวงเส้นไหว้หมายถึงว่าถวายทานแด่พิสูจนสงฆ์คือการเส้นสวงเส้นไหว้ถวายปัดไัยสีแด่พิสูจนสงฆ์คือการเส้นสวงเส้นไหว้ไม่ให้ไปตั้งตั้งโต๊ะกุ้ยหอม แอปเมะพร้าวไข่ขันดอกไม้เล่าไห้ไก่ตัวอัญเชิญเรียกมากินอันนั้นเส้นสวงเส้นไหวอย่างงั้นเชื่ออย่างนั้นเป็นมิจฉาใช่ไหมไม่ให้สัมมาอะไรอีกทีนี้ น, นรกมีสวรรค์มีใครที่ไม่เชื่อว่านารกมีสวรรค์มีก็เป็นมิจฉาทิฏิทีนี้เขาก็จะแย้งมาว่าเอ๊พูดเรืศาสนา บังคับขนาดนั้นเลยเหรือให้เชื่อบังคับให้เชื่อขนาดนั้นเลยหรือต้องเข้าใจก็าศรัทธาในความหมายของพุทธเจ้านั้นคือศรัทธาที่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วไม่ใช่ศรัทธาที่ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยแล้วก็เชื่อตามๆกันไปอันนั้นงมงายใช่ไหมหลักศรัทธาในธรรมพุศาสาษษคือเป็นความเชื่อที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอ๋อก็เขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยก็จะเชื่อได้ไงพุทธเจ้าพิสูจน์แล้วไงพระเจ้าไปเห็นนรกมาแล้วไง ถ้าอาคณาสาวกของพระองค์ก็ไปเห็นนรกมาแล้วไงสวรรค์มาแล้วไงนําเรื่องเรามาบอกไว้แล้วไงเป็นหลักฐานทางคัมภีร์ทางพุทศาสนาพิสูจน์กันมาแล้วไงมีสักขีพยานสําหรับพระองค์แล้วไงก่อนที่พระองค์จะมาพูดเรื่องนี้นะพระองค์ก็คิดอยู่ว่าหากเราพูดเรื่องนรกสวรรค์ผีปีศาจคนจะไม่เชื่อจนต่อเมื่อมีผู้เห็นเหมือนตถาคตเห็นโพตถาคตจึงบอกใช่ไหมหละ่พะมพมโอกันล้นะบอกว่าข้าพระองค์เห็นเปรตตัวหนึ่งลอยอยู่กลางวงอวกาศ แล้วกูค้อนปุ๊ค้อนตีเนื้อหนังมังสังหลุดลุย่ยอย่างเงี้ยหรือมีมีกาหวัวเป็นกาตัวเป็นคนอย่างเงี้ยพโมคะลานาหเห็นพระเจ้าบอกว่าเราก็เห็นในวันตัสรุปเปยตัวนั้นเอาแต่ก่อนทำไมรู้เห็นพรองค์ไม่พูดเราต้องรอสักขีก่อนรอรอคนที่เป็นพยานสำหรับผู้เห็นว่า เธอก็เห็นเหมือนกันเราก็เห็ น, น เ, เหนมือนกันการพูดอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเอาเองแล้วคนที่พูดเรื่องการเห็นอย่างเงี้ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นานาไหมโอ้ยมีเต็มไปหมดเลยในครับพุทธการใครคนก็เห็นไงปัจจุบันก็ยังมีคนเห็นอยู่นะก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วเมื่อได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากพระพุทธเจ้าจากบาัครสาวกมันจะต้องลังเลไหมว่าต้องเชื่อหรือไม่เชื่อนะไม่ต้องลังเลใช่ไหมไม่ลัง แต่ทำไมพระอาทิตย์ทรงกดทำไมเชื่อกันดีแล้วเกินเนอะไรยังไะฮะก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเรื่องอะไรนะพ่ะอาทิตย์ทรงกฎเขาบอกว่าจะเกิดเวลาที่ม <sh arp y> <laughs> <Wh> ีจะมีเหตุการณ์เออที่ไหนก็ทรงทรงกฎของมันอยู่ตลอดเวลา ความเป็นรัศมีความเป็นวงความเป็นมูลพลของมันแล้วไปเชื่ออะไรเชื่ออันที่พุรุษจาไม่ได้บอกให้เชื่อนะไปเชื่ออันผิดๆนั่นนะที่ม่ได้รับการพิสูจนะ์และอะไรอีกเชื่ออะไรอีก บ, อบุญคุณของบิดามีบุญคุณของมัรดามี อะไรอีกเชสมณพรามณ์ผู้ปฏิบัติให้ถึงเชื่อว่าสมณพรรม์ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมี <c oughs> และเชื่อว่าความเป็นพระราหันต์สมมาสัมบุทะมีจรงิง <c oughs> นี่คือหลักสมาธิธในรหลับของบุตรชนบุตรชนนะคือบุคคลที่ยังเป็นไปในวัตฏะต้องเชื่อสิบอย่างนี้านหากไม่เชื่อสิบอย่างก็ไม่ใช่ทางสายการการที่พระองค์ทรงสอนแบบนี้ไม่ได้อสอนเพื่อ ให้ใครมาเชื่อไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อพระองค์ต้องเชื่อในสิประการนี้ทั้งหมดผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ผมบอก ว, ว่าหากอยากจะเดินทางสายการต้องน้อมใจเชื่อแบบนี้ก่อนหากเราไม่น้อมใจเชื่อแบบนี้ก่อนเราจะเดินทางสายการแล้วเราสัมผัสทางพุทธศาสนาไม่ได้ต้องเชื่อแบบนี้ก่อนแล้วพิสูจน์กันไปที่ในขณะที่เชื่อก็พิสูจน์กันไปว่าทางสายการนี้เป็นยังไงเป็นไปได้มีเหตุ ม, มีผลจริงไหม หากพิสูจน์ดูแล้วว่าไม่มีเห็นไม่มีผลจริงก็ออกไปจากทางสายการนี้ก็ได้มันจำเป็นต้องมานับถือพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนาจึงจะต้องเป็นการนับถือทางสายการนี้ด้วยใช่ไหมเพราะลำพังแค่การนับถือโดยที่เราไม่สามารถที่จะดําเนินจิตดาเนินใจไปตามหลักคําสอนได้จะนับถือไปเพื่ออะไรนี่ความหมายนับถือเพื่ออะไรเราก็นับถือพุทธศาสนาแบบนับถือผีนับถือแสงอย่างเงี้ยนะ นับถือผีผีบอกว่ากูจะหักคอมึงถ้ามึงไม่มาเลี้ยงกูก็หาไปเลี้ยงมันใช่ไหมพอมานักถือพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าต้องมีความเชื่อในสิบประการนี้ไม่งั้นก็ไม่ได้เชื่อว่าเป็นผู้นักถือเรากลัวผีมากกว่ากลัวพทธเจ้าเราเราครบผีมากกว่าเขารบพระพุทธเจ้าพอผีบอกกูจะหักคอมึงนะรีบจัดการเลยนะตั้งโต๊ะบูชาเส้นสวงเส้นว่าอย่างดีเลยนะ แล้วผู้หญิงบอกว่าให้มีสมาธิมีความเห็นที่ถูกเชื่อกรำเชื่อผลของกรรมอันหนึ่งใช่ไหมหละกก็ชีวิตเราจะดีก็เกิดจากการการะทำของเรามันไม่ดีก็เกิดจากการกระทำของเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนั้นอันหนึ่งไม่ใช่เชื่อผีผีจะหักคอคูไม่ได้ถ้าคูยังทํากรรมดีอยู่ยังไม่หล่ะเห็นไห ม, ไหมเทวดาจะมาบันดาลสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีตามความพึงพอใจของเทวดา ที่เขาไม่ชอบเราเริเกียนเราพยายามส่งสัญญาณเัื่อไลยบีบบังคับเราทั้งทั้งที่เรามีกรรมดีมาจะสามารถทําลายเราได้ไหมไม่ได้มานพยายามทําลายพรุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทํายังไงหรือลึกถึงความดีของพรวกผมใช่ไหมลึกถึงความดีแต่ปางก่อนว่าสิ่งที่เราทําอันที่ไม่มีโทษต่างๆนานาที่องค์ทรงทํามาก็ชนะด้วยความดีเวลาเราเจอมันเข้าแทรกในชีวิตเราทารํายังไงกูไหว้มาน ทำพี่พีว่ายมันลาหูเข้าแท็บกูไหายลาหูผัสบุกเข้าแท็บไหว้ดวงผัสบุกดาวผัสบุกผัสเสาเข้าแท็บว่ายดาวผัสเสาอะไรอีก <c oughs> แล้วทางเดินสายการของพระพุทธเจ้ามันใช้ไม่ได้หรือยังไงหรือพระองค์ไปนิพพานไปแล้วเดี๋ยวมาพูดเลยพระองค์ไม่ได้อยู่แล้ว ไม่เดินนะจะเดินเป็นเ ส, เส้นทางที่เคยทำมาอย่างไงแต่บรรพบุรุดธ์เขาพาทามาก็จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นเหลอแล้วการเดินทางสายกลางก็เป็นการต้องเป็นการเดินแบบตัวใครตัวมันเดินเนี่ยไม่ใช่ไปเดินเหมือนกันเนี่ยคือใครจะเป็นยังไงก็ตามแต่ละคนก็ให้รู้จักทางสายกลางภายในตนเองเช่น เมื่อเรามีความเชื่อในสีประการแล้วนะเราก็ใช้ความเชื่อเช่นเชื่อว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมไม่ดีได้กรรมไม่ดีคือได้สิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราเชื่ออย่างนี้แล้วเวลาเราทำกรรมชนิดใดก็ตามทั้งดีและไม่ดีเราก็จะไม่ปฏิเสธในความหมายของพทธเจ้าว่าเชื่อว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมไม่ดีได้ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ให้เชื่อแล้วกลัวเข้าใจไหม กลัวอันกรรมที่ไม่ดีไม่ใช่นะปองให้เชื่อในความเชื่อของพระองคนั่ น, นคือให้อยู่ความเป็นจริงคําว่าให้อยู่ความเป็นจริงหมายถึงว่าเมื่อเรามีการพาดพลั้งทํากรรมที่ไม่ดีหรือมีอํานาจของกิเลสบางอย่างพยายามผลักดันบีบบังคับหรือครอบงําเราอยู่ให้เราทํากรรมที่ไม่ดีเมื่อได้กระทําลงไปแล้วเราต้องยอมรับใช่ไหมยอย่าปฏิเสธเพราะเราเชื่อกรรม เชื่อว่าทําดีต้องได้มิดีเวลาทําอันที่พิธีไปแล้วได้อันที่พิธีมามันก็ถูกต้องแล้วถูกต้องไหมอันเนี้ยคือคือการเชื่อเวลาเวลาเราทําดีแล้วก็ได้อันที่ดีคือได้ทําสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นความดีในสิ่งที่เราทําหรืออันที่พิธีในสิ่งที่เราทําเมื่อทําไปมันก็เกิดเป็นความไม่ดีหรือเป็นความดีในสิ่งที่เราทําในขณะนั้นทันทีในเวลานั้นโพมไม่ได้บอกว่า เมื่อเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วอ่าอะไรเหมือนกับว่าห้ามทํากรรมที่ไม่ดีแล้วยินดีในกรรมดีอย่างนี้ยยินดีในการทํากรรมดีอย่างนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะให้ทํากรรมดีตลอดไปอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะในวิสัยของมนุษย์ทั่วไปที่มันมีกิเลสอยู่มันต้องเกิดความผิ ด, ค ว, ดความพลาดความครั้งใช่ไหมละ่ะในการการะทา เรื่องอาจของกิเลส ท, ที่ครอบำรองำและบีบคั้นมันก็ตำผิดผิดผัดพลาดกันไปก็เป็นเรื่องปกติธรมรมดาแต่ความผิดพลาดถือว่าเป็นเรื่องปกติธรมรมดาขับรถชนคนตายก็ต้องยอมรับใช่ไหมหละ่ะจะไปหนีคดีทําไมนี่อันนี้นจะเชื่อมโยงคดีที่ใหญ่ๆหอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่น่าพูดเลยนี่ก็ยอมรับอันนี้คือเชื่อกำรรใช่ไหมคนที่ไม่ยอมรับคือไม่เชื่อกรรม คนที่มีเชื่อกรรมขับรถคนตายแล้วเราจะต้องได้รับโทษแองกันขับรถชนคนตายแล้วไม่ยอมรับไม่เชื่อกรรมเกิดอะไรขึ้นเกิดทํากรรมใหม่ซ้อนใช่ไหมหนีกรรมเป็นกรรมใหม่ซ้อนออกไปอีกจากกรรมที่ทนะํานั้นพอไม่เชื่อตัวหนีปุ๊บโมนี้ปุ๊บ ก, ก, ก, ก็ก็เกิดการติดตามกับมีบิบากกรรมติดตามอีกทีนี้จะไปเกิด น, นีพพานไหนก็ตามเป็นยังไงก็ อ, นนะอย่างน้อยห้าร้อยชาติถูกชนอีกห้าร้อยชาติอย่างเงี้ยเขาบอกเอา้าถ้าอย่างนั้นไอคนที่ถูกชนก็ได้รับกรรมตัวเองก็ถูกต้องแล้วถูกก็ถูกต้องคนที่ถูกชนอ่ะได้รับกรรมตัวเองก็ถูกต้องแต่คนชนน่ยได้สร้างกรรมหม่สร้างกรรมใหม่ให้ตัวเองได้ไปรับผลในภายภาคหน้าเนีย่ยลัาากษณะของกรรมะฉะนั้นยอมรับแล้วปุ๊บยอมรับด้วยการสํานึกคิดเนี่ย ผู้ใหอนุญาตให้มีการสำนึกผิดใช่ไหมพิสูตละเมิดสีขาบทได้สีขาบทหนึ่งไปมาแสดงโทษตน ต, ต่อภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าข้าพเจ้าละเมิดโทษชื่อนี้ชือนี้เช่นชื่อปาจิตีเป็นการทำความผิดทนถตกไปข้าพเจ้าขอแสดงคืณโทษ น, น, นั้นพระภิษุอีกรูปนึงก็บอกว่าท่านเห็นหรือเห็นพทษตัวเองไหมเห็นหมายถึงว่ากล่าวถึงสํานึกผิดในโทษของตนข้าพเจ้าเห็นสํานึกผิดแล้วพูดง่ายได้เห็นโทษแล้วงั้นทัานต่อสํารวมรางต่อไประวังต่อไปนะ ข้าพเจ้าจะสารวจระวังเมั่ที่เกิดขึ้นอีกหรือจะสารวจระวังต่อไปก็คือสแสดงประกาศโทษตัวเองมาสํำนึกอย่างนี้พูทเจ้าบอกว่ายังไงปิดโทษได้ใช่ไหมปิดโทษได้กรรมที่ทำตกไปหากไม่สแสดงมันไม่ตกโทษไม่ตกไปสํำนึกผิดเขาลดโทษให้ไหมเนื้อหอเขลดโทษให้ แต่ถ้าสํานึกแบบยิงหลอกเจ้านี่ก็จะยิ่งผิดหนักป็นยิ่งโทษหนักขึ้นนะครับแบเบอ้สิ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเป็นแสดงสิดก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นผิดจริง ๆ, ๆอย่างเช่นว่าคนคนที่เขาแบบถูจกจับไปขึ้นศาลเขารู้ว่าเออเดี๋ยวถ้าอันนั้นอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าสมคึกครับก็คือบทสมมติยิงหลอกเจ้ามันก็เออโทษยิ่งหนักขึ้นช <laughs> ึ้นนะครับก็เป็นการสะสมโทษในตัวเอง เป็นการสะสมโทษในตัวเองแบบซ้อนๆกันเป็นกรรมซ้อนกรรมซ้ําอยู่นะั่นขนาดสานึกอย่างนั้นเขายังลดโทษเลยได้ใช่ไหมหละ่ขะขนาดแบบสํานึกแบบหลอกเจ้าเขายังลดโทษให้ <c oughs> เมื่อเชอื่อมกมเชื่อผลเพราะกรรมแล้วเราจะมองเห็นเลยทีนี้ว่าอ๋อชีวิตเราเป็นไปตามการกระทําทําดีเราก็ต้องได้รับ ผลทางดีทำไม่ดีแล้วก็ต้องได้รับผลแห่งการทำไม่ดีสีเลยมีบทบาทในชีวิตเราทีนี้จะเห็นคุณค่าของสีเลยทีนี้สีเลยมีบทบาทในชีวิตเราเพราะอะไรไม่มีใครมาบันดาลชีวิตเราได้ทำดีเราได้ดีในสิ่งที่เราทำทำไม่ดีเราได้ไม่ดีในสิ่งที่เราทาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสิ่งที่ทำ พี่ใหญ่ก็เินเลยวางหลักการของทางสายกลางในชั้นการมองเห็นกรรมเนี่ยในหลักของการเชื่ออย่างเงี้ยเป็นเครื่องทางเดินเป็นเครื่องสื่อต่อทางเดินให้งั้นเราจะทํากรรมชนิดไหนล่ะที่เป็นกรรมดีสีขาบท5ไงในพื้นฐานชาวบ้านสีขาบท5นั้นจะต้องรักษาให้ครบห้าไหมไม่จําเป็นข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้เดินในสีขาบทข้อใดหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้สามารถทานตลอดชีวิตในข้อนั้น จะไม่เด็ดขาดในเรื่องนั้นนั้นเพราะว่าไปเช่นไม่ดื่มเหล้าบางคนบอกบางคนที่ไม่ดื่มเหล้าโดยเป็นอริยาศัยอยู่แล้วเขาได้ทํากรรมดีก็ได้รับผลดีก็จริงแต่หากไม่เจตนาสมาทานจะไม่เป็นศีลต้องเจตนาสมาทานด้วยถึงจับเป็นศีลสีขาวบทสีขาวบทมันเป็นทั้งกรรมดีอย่างหนึ่งเป็นทั้งศีลอย่างหนึ่ง ศีลกับกรรมต่างกันยังไงศีลศีลมันไม่ใช่ข้อห้ามพูทได้เจ้าไม่ได้ห้ามใครฮะศีลไม่ใช่ข้อห้ามนะ ถ้าเราข้อเจ็ดว่าศีลข้อห้าแสดงว่าศีลศีลมันอยู่ในที่สิขาบทห้าประการันเหรอฮะไม่ได้ห้ามไอข้ามข้าศัตรเรามาแปลกันเราเองก็ถูกศีลแปลว่าการงดเว้นแต่ในความหมายว่าศีลนี่ได้เป็นข้อห้ามไหมในหมู่ชาวพุทธเป็นข้อห้ามไหม ในความหมายที่เรามาพูดถึงนเป็นข้อห้ามหรือเปล่าไ ม, ไม่ได้เป็นศีลไม่ได้เป็นข้อห้ามในหมู่ของชาวพุทธคนใดก็ตามที่เข้าใจว่าศีลเป็นข้อห้ามในหมู่ของชาวพุทธคนนั้นก็เป็นมิจฉาทิฐิก็บอกเอาข้าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วทีนี้มันทําไมมันสวนทางกับความรู้สึกของคนสวนทางรู้สึกกับสิ่งที่นักวิชาการทั้งหลายเขเขียนกันตามแบบตามตารากันมาโอ้ก็บอกแล้วคุณจะเอาไปไห้ามใคร ไม่ได้บังคับใครพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามไว้เป็นทางสายกลางใช่ไหมเป็นกลางๆเป็นกลางกแม้แต่ในหลักของสมาธิถีก็ตัดไว้เป็นกลางๆใครจะทําก็ตามไม่ทําก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับพุทธองค์เลยแต่วงทรงตัดไว้เป็นกลางกลาว่าทางสายกลางเดินอย่างนี้การที่วงบอกว่าศีลเนี่ยทําไมจะต้องบัญญัติห้าประการให้สําหรับคฤลือหัดปฏิบัติ หากบอกว่าศีลคือข้อห้ามห้าประการในคฤลือหัดศีลคือข้อห้ามสิบประการในคาลือในในสนามเณรแปดประการในบุคคลผู้คือศีลนุปสถดสิบประการในสามเณรสองอย่สิบเจ็ด เ, เป็นข้อห้ามสำหรับภิกษุสามอยสิบเอ็ดเป็นข้อห้ามสําหรับภิกษุณีแสดงว่าศีลศีลไม่ใช่อเดียวกันเหรอฮนะ จริงๆศีลน่ะมันเป็นอันเดียวกันมันเกิดจากเจตนาเจตนาของโยมตั้งใจที่จะกดเบ้นมันเป็นศีลเจตนาของพิสุตั้งใจจะกดเบ้นก็เป็นศีลศีลเหมือนกันหมดเป็นศีลเสมอกันหมดเสมอกันโดยศีลเข้าใจไหมอันที่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่าสีขาวบทท่าประการนั่นน่ะมันเป็นโทษไม่ใช่ศีล มันเป็นโทษหมายถึงว่าพงบัญญัติเจตานางดเว้นนับเป็นศีลถูกต้องไหมนะาหากตัวที่เจตานารดเบนนับเป็นศีลแล้วแต่ทีนี้ในบุคคลที่เจตานาอยู่แล้วได้ระเมิดโทษในสีขาบทมดาประการในขณะที่เจตานาน่ะหมายถึงว่าเราจะตั้งเจตานาว่าเราจะ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตั้งเกตนาไว้แล้วนะนั่นคือศีลแล้วนะเป็นศีลแล้วแต่ไม่ได้ตั้งเกตนาในการรักษาเพประพิจารณากรรมโกหกไม่ได้ตั้งเกตนางดเว้นในพวกนี้หรือดื่มสุราไม่ได้ตั้เกตนาตั้งเกตนาในในในข้อนึ่งคือจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเขาละเมิดโทษอีกสี่ข้อเขาได้รับโทษไหม ได้รับโทษแต่เขายอมรับได้เขา้าใจไหมเขายอมรับได้ว่าเขาจะต้องได้รับโทษแบบนั้นเมื่อเขายอมรับโทษได้อันศีที่เขารักษาได้จะทาให้เขาไ ม, ไม่ตกไปในที่ชั่วหมายถึงว่าเขาจับไม่ไปสู่อาบายภุมด้วยศีลข้อแรกแต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เขาจะมีอายุยืนด้วยศีลข้ามบทข้อแรก แต่เขาจะได้รับโทษอีกสี่ข้อในภายหลังเช่นมีทรัพมาทรัพก็ถึงความชิพหายวายวอดไปนะมีครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกกันนะมีไปกล่าว ค, คําพูดในที่ไหนๆก็ไม่มีใครเชื่อเพราะโกหกมาตลอดชีวิตดื้อสุราเกินมาก็สติส ป, สปชัญญะไม่ดีเป็นบ้าเป็นบลองเป็นสติสัมะจําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างความจําก็ไม่ดีเบอเอรไปเออเลยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยโทษันไหนเขายอมรับได้ แต่พอให้เขาไม่ไปตรงในที่ชั่วไม่ไปเอาายอ่ะด้วยสีขาบทข้อแรกอายุยืนแต่เออเออเอาไมมล่ะเอาข้อเดียวนะเอาข้อเดียวก็พ้นพทได้ผ้นโทได้เอาใบได้ไม่ได้ใช่ข้อห้ามนะสีขาบทห้าประการเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามแต่เราจะต้องมีเจตนาในการวดเว้นในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นเกณฑ์เกณฑ์ในการรักษาเจตนาของเรา ถ้าเราไม่มีโทษห้าประการมาเป็นเครื่องรักษาเจตานาของเราเราก็จะ ม, มีมูลเหตุอะไรที่จะเป็นเครื่องเหตุแห่งการระเบิดใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมีโทดคุณเจ้าจึงบรรยับโทษห้าประการนี้ไว้ทษห้าประการนี้ไม่ใช่ศีลศีลคืออยู่ที่เจตานาแต่เราจะอาศัยโทษห้าประการนี้มาเป็นเครื่องงดเวน้นแยกออกไหมเนี่ยแท้ที่จริงแล้วทั้งพระทั้งเนร ทั้งผู้ถือศีลอนุบสถร์ได้ยมมีศีลท่ากันหมดแต่การรักษาศีรษะบดต่างกันเท่านั้นเองชาวบ้านมีทษห้ประการผู้ถือศีลอนุบสถมีทษแปประการผู้ถือศีลสมมาเนมีทษสิบประการผู้ถือเพศภิกษุมีทอด227ประการผู้ถือเพศภิกษุณีมีทษสามอยสิบประการภิกษุณีมีทอดมากกว่าภิกษุ ภิกษุมีโทดมากกว่าสามเณรสามเณรมีทอดมากกว่าผู้ถือศีลแปดผู้ถือศีลอนุบสถมีโทดมากกว่าผู้เป็นชาวบ้านทั่วไปผู้เป็นชาวบ้านทั่วไปมีทอดมากกว่าชาวบ้านที่ไม่ยินดีในศีลพราะที่ไม่ยินดีในศีลเขายึดถือพระตัตนตรัยเขาไม่ตกอาบายภูมิแล้วใช่ไหมหลักไม่มีศีลนะไม่รักษาศีลเลยตลอดชีวิตเนี่ย ห้าขอ้อคุณละเมิดหมดแต่เลื่อมใสในพระรัตนตรัรับนับถือพระธพระประสงค์แต่ไม่อยากจะรักษาศีลเพราะในใสาบางอย่างมันรักษาไม่ได้เขาก็ไม่ไปสู่อบายภูมิแต่เกินมาอายุสั้นทรัพย์สมบัติที่ได้มาชิบหายไบวอดไปไม่เคยมีอยู่ติดเนื้อติดตัวเลยครอบครัวแตแกแยกพูดไปอะไรใครก็ไม่เชื่อสติสัปชัญญักก็ไม่ดีเห็นไหม แต่ไม่ไปตกกระบายภูมิอ่แต่ได้รับโทษห้าประการชีวิตเป็นไปนตามกรรมใช่ไหมศีลจึงเป็นเครื่องรองรับในทางเดินสายการข้อนี้การเชื่อกรรมเชื่อผล ข, ของกรรมเนี่ยเรื่องนี้งงกันไหมสีขาวบทคือบทที่เราจะต้องศึกษาแต่ศีลคือเจตานางดเว้นคนละเรื่อง ก, กันนะคนละอย่างกันนะต้องแยกกันให้ออกนะแต่เนื่องกันหากเรา ไม่มีสีขาวบทเป็นเครื่องงดเว้นเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องอะไรเอาเป็นเครื่องรักษาจิตานาของเราเช่นเห็นสัตว์อยากจะฆ่าโดยความเคยชินโดยความรู้สึกที่เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ทีนี้ได้งดเว้นได้แล้วเนี่ยเราก็รักษาจิตานาของเราเรารักษาจิตานาของเราเราจะไม่ฆ่าใช่ไหมล่ะมีทรัพย์พอที่จะหยิบฉวยเอาไปได้ แต่เราไม่ไม่เอาไปเพราะเรารักษาเจตนาของเราแต่ในจังหวัดที่ไม่รักษาเจตนาเอาไปได้ถามว่าเป็นกรรมไหมก็เป็นกรรมกรรมเช่นกรรมที่ไม่ดีแต่เจตนารักษาพุกบเป็นศีลรักษาเจตนาก็เอาโทษพวกนี้มาเป็นเครื่องเจตนาในการรักษามาเป็นเครื่องรักษาเจตนาเราถ้าไม่เอาสีขาวบทอระการมาเป็นเครื่องรักษาเจตนาเรามันจะเป็นศีลได้ไหหรอกก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้น แม้ใครก็ทํามไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกฎหมายไม่โกหกและไม่ดื่มสุราหากไม่เจตนาตั้งเจตนาขึ้นมาแล้วรักษารักษาเจตนาของตัวเราเขายังไม่เชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลแต่เขาได้ทํากรรมดีเขาเป็นผู้ประกอบขึ้นดีกรรมก็ส่งผลให้เขาฮะไปไหนแน่ใจเหรอคนที่ทํากรรมดีตลอดชีวิต ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรับย์ไม่อุทิศให้กรรมไม่โหกไม่ดื่มสุราเนี่ยทำดีตลอดชีวิตเนี่ยแน่ใจเลยว่าจะไม่ตกอับอายอยู่นไมเห็นไหมมีคนบอกว่าไม่เพราะอะไรก่อนใกล้ตายอาจจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับอกุศลใช่ไหมล่ะตายไปปุ๊บ จิตเกาะเกี่ยวเช่นจิตเกาะเกี่ยวในทรัพย์สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรงกล้าตายไปปุ๊บเกิดเป็นกมือสัตว์เฉลยฉันแน่นอนเห็น<ม>ไหมอุบาสกอันหนึ่งรักษาศีลมา60ปีโดยเข้าใจว่ารักษาศีลแล้วจะบรรลุธรรมในศาสนานี้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอก่อนใกล้ตายก็ยังเห็นคุณธรรมอะไรบังเกิดขึ้นในจิต เมื่อตายไปแล้วด้วยความสงสัยว่าเอ๊เราก็รักษาศีลมาตั้งหกสิบปีทำไมคุณธทำอะไรบางเกิดขึ้นในจิตไม่มีเลยคุณแห่งศีลคงไม่มีสงสัยอย่างนี้นปุ๊บตายไปแล้วไปเกิดเป็นจอระเทศด้วยอํานาจแห่งวิจิกิจฉาความสงสัยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีทางสายกลางมาแต่เดิมเขามไม่มีความเห็นที่ถูกต้องมาแต่เดิมคนที่รักษาศีลโดยไม่มีสมาธิธิรักษาศีลก็เป็นศีลป ะ, ะตัพระมาศคนที่ประพฤติวัด ต, ต่างๆ ในกิจวัตรข้อวัดในลหลายๆอย่างที่ไม่มีสมาธิทิเป็นเครื่องรองรับก็เป็นศีละพตาปรามาสความถือผิดอย่างงมงายนั่งสมาธิโดยที่ไม่มีสมาธิิก็เป็นศีละพตาปรามาสนั่งแบบงม ง, ง, งายเจริญวิปัสานาโดยที่ไม่มีสมาธิิก็เป็นการเจริญวิปัสานาแบบมงมงายสีละพตาปรามาส <laughs> เห็นไหมพุทธเจ้าปูพื้นมาตั้งแต่แรกแต่เราไม่เดินตามพื้นที่พุทธเจ้าทรงปูไว้เราแยกไม่ออกเลยอะไรบุญอะไรบาปอะไรดีอะไรชั่วไม่เชื่อกำรรไม่เชื่อผลข้อกรรมคงคงคงคงไปเชื่อรรแต่การดนบันดาลของผู้ปีศาจเทพบรรดาลพูดบันดลมาเกลี่เองจะมีชีวิตดีด้วยวิธีการการเส้นสลงเส้นไหวอย่างนั้นอย่างนี้บูชาเส้นไหวสกักการะในสิ่งที่ผิด เอาะจะเดินทางสายกลางเดินยังไงเละทีนี้ฮะเชื่อแล้วใช่ไหมมีความเชื่อเป็นพื้นฐานแล้วในสิบประการนะในสิบประการไม่รู้จะครบหรือเปล่านะขออะไรกันหนึ่งรู้บุญโดยความเป็นบุญรู้บาปโดยความเป็นบากรู้ว่าการเส้นสวงเส้นไหวบูชามีผลรู้ว่าทำกรรมดี ได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วผลกรรมมีเนี่ยความความผลแห่งกรรมดีมีผลแห่งกรรมชั่วมีรู้ว่าคุณบิดามีคุณมารดามีนักเป็นสองข้อหรือเปล่าในใจข้อเดียวข้อเดียวรู้ว่า <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> มาแล้วข้อบูล <c oughs> สัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบ ปรการคือทานที่ให้แล้วย่อมมีผลหนึ่งทานที่ให้แล้วย่อมมีผลสองการบูชาย่อมมีผลบูชานี่คืออะไรไม่ใช่จุดทูบจุดเทียนบูชานะบูชาคืออะไรถวายปัจจัยสี่แด่สและแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกันใช่ไหมนั่นคือการบูชาบูชากันลูกบูชาแม่โดยกัน ให้เข้าให้น้ำให้สิ่งของให้เงินให้ท้องให้อะไรก็ตามนัม่นคือบูชาคุณท่านไม่ใช่จุดทูบจุดเทียนบูชานี่คนเข้าใจกันว่าบูชาผิดนี่ 3. ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี 4. โลกหน้ามีโลกนี้มีห้าคุณบิดามีคุณมารดามีหสัตว์ที่เป็นอปติกะขุดเกิดขึ้นมีเจด็ด สมณพราหมที่ดำเนินชอบปฏิบัติชอบทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่ง เ, งเองแล้วมีอยู่หมามันจบแค่นี้อาจจะมีข้อย่อยที่นับรวมเป็นสิบบิดากับมันดาแยกกันก็ได้ดไดไดเชื่อผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็แยกกันก็ได้ก็นับรวมเป็นสิอยู่ในนั้นประมาณนี้น นี่คือสมาธิทีการบูชามีการเส้นสวงเอาบูชานี้ให้ของแก่กันและกันเส้นสวงนี่คืออะไรเส้นสวงอุทิศบุญให้<ม>เพราะโลกหน้ามีใช่ไหมล่ะก็ต้องอุทิศบุญให้กัน<ม>แบ่งบุญให้กันบูชาเป็นการบูชาอย่างหนึ่งด้วยเป็นการเส้นสวงกันด้วย<ม>แต่เส้นสวงในความหมายของพรามคือ พิธีเส้นสวงเส้นไหม้พราะพูดไปก็มีแต่พวกเราเฟังคนอื่นก็ไม่ฟังกันหรอกทางสายกลางของพระทุทธเจ้าเหมือนกับจะใช้ไม่คยได้แล้ววงแต่ท่นเขาสอเยอะลตรงนั้นทีนี้เมื่อทางสายกลางสิบประการที่พูดไปอย่างนี้ศีลจึงมีบทบาทในชีวิตใช่ไหมล่ะ ในชีวิตคนและเรามีความเชื่ออย่างงี้ปั๊บเนี่ยเราจะอิงอาศัยในสิ่งอื่นที่จะเป็นเครื่องหนุนชีวิตเราให้ไปถึงความเจริญได้ไหมเราต้องอาศัยตัวเราใช่ไหมหลักของธรรมที่องคทรงตัดไว้ว่าอัตตาเหตุตโนโนาโขจึงเป็นหลักการที่สอดคล้องกับหลักสมาธิทีใช่ไหมการพึ่งพาตนเองการพึ่งพาตัวเองเป็นสมาธิทีอย่างหนึ่งเป็นทางสายการอย่างหนึ่ง หากใครก็ตามไม่รู้จักการพึ่งพาตัวเองแต่แล้วไม่รู้จักการเดินทางสายการเอาถ้าเป็นนี้ก็พึ่งพาใครก็ไม่ได้สิพึ่งพาพ่อแม่พี่น้องพึ่งพาอันพึ่งพาอาศัยกันน่ะมันเป็นการพึ่งพาโดยการเกื้อกูลกันโดยหลักธรรมอยู่แล้วแต่ในความหมายของการพึ่งพาที่ถูกต้องคือพึ่งพาตัวเองอันพึ่งพาอาศัยกัน่มันพึ่งพาได้แค่ชั่วคั้งชั่วคราวแต่การพึ่งพาาใช้ตัวเองเป็นการพึ่งพาอย่างยั่งยืน ถูกต้องไหมอตอนที่เรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้พ่อแม่ต้องป้อนข้าวใช่ไหมหละ่ะเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วกินข้าวเองได้แล้วยังให้พ่อแม่ป้อนไหมอายุสิบปีนี่พ่อแม่ยังป้อนไหมกี่ปีถึงเริ่มกินข้าวเองได้เก้าปีแปดปีเจ็ดปีแค่เจ็ดปีก็กินเองได้แล้วนะห้าขวบห้าปีได้กินข้าวเองได้แล้วใช่ไหมอ่าห้าปีกินข้าวเองได้แล้วถามว่า อายุสิบปีเนี่ยยังบอกให้พ่อแม่มาป้อนข้าวให้เนี่ยไอยคนนั้นเป็นยังไงไอคนนี้นี่ตัวมันเองยังพึ่งตัวเองมันยังไม่ได้ยังไงแล้วมันเติบโตขึ้นมาในในประเทศในโลกเนี่ยมันจะไปายาพึ่งพาใครได้ยังไงนะ <c oughs> คือมันจะแย่มากเลยนะเมื่อแต่พึ่งพากันเองงั้นในในสภาะที่เรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เราต้องพึ่งพาคนอื่นก่อนเป็นธรมรมดา ต้องอาศัยความเรื้อคุณจากคนอื่นผู้เจ้าจึงสอนเรื่องการการุณาเมตตาอะไรกันไว้ในโลกเพื่อสิ่งนี้เพื่อเป็นเครื่องรองรับบุคคลผู้ยังอ่อนแออยู่แต่ไม่ใช่จะให้อ่อนแอตลอดไปผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราอ่อนแอตลอดไปผู้เจ้าสอนให้เรามีศีลสอนให้เรามีคือสอนให้เรามีตอนแรกก็ป้อนให้เราบอนแต่โอค์ป้อนให้แล้วเราจะต้องไปขอศีลกับพระอยู่เสมอไปไหม หากเราจะรักษาศีลทําไงเจตนางดเบนขึ้นมาก็เป็นศีลแล้วใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ทําไมไปขอกระพะการขอกระพะเหมือนกับว่าเรายังไม่สามารถรู้จักเรายังไม่รู้จักศีลอะไรเลยใช่ไหมไปขอกับพระคือพึ่งพางท่านท่านกป้อนเหมือนกับว่าตักอาหารป้อนให้เราให้ศีลเราคือตักอาหารป้อนให้เรากี่ปีกี่ปีก็มาตักอาหารป้อนให้กันกี่ปีกี่ปีก็ตักอาหารป้อนให้กันอันนี้จะ ศาสนาพุทธมันสืบมาไม่รู้กี่พันปีเลยยังมาตักอาหารป้อนให้กันอยู่นนะ่ะเวลาจะสมาทานศีลไปขอกับพระพจะทําบุญในไรกะตางต้องป้อนให้หน่อยนะคืออายุห้าสิบปีแล้วบอกว่าจะกินข้าวเนี่พ่อมาป้อนให้หน่อยแม่มาป้อนให้หน่อยพ่อแม่ตายใครจะป้อนให้หเพราะอะไรพึ่งพาตัวเองไม่ได้พระอาจารย์สอนให้พึ่งพาตัวเองไม่ได้เหรอไม่ใช่องค์บอกให้พึ่งพาตัวเองให้ได้ จะมีศีลก็มีด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ให้ใครมาคอยให้ศีลอาตมาจึงไม่ให้ศีลใครและอาตมาไม่ให้ศีลใครนี่เองจึงมีคนมาเพ่งพจนบอกว่าโวพระไม่ให้ศีลจะไปประกาบทําไมจะไปไหวทำไมไปทำบุญด้วยทําไมพระไม่ยอมให้ศีลหมายถึงว่าพ่อแม่ไม่ยอมป้อนข้าวให้เรากูไม่ไหว้พ่อไหว้แม่กูหลอกกูไม่ซื้อข้าวให้พ่อแม่กูหลอกกูไม่อหาอะไรให้พ่อแม่กูหลอกพ่อไม่ยอมป้อนข้าวให้กูกิน ทั้งที่ตัวแล้วนะจะว่าอย่างไรมันเป็นอย่างนี้และศาสนานเป็นอย่างนี้กันแล้วพระองค์นี้ไม่ให้ศีลพระองค์นี้ไม่ยอมสวดมนต์ให้พนให้ไม่ไปทําบุญมีคนคิดอย่างนี้และมีคนปฏิเสธอย่างนี้และแย้งอธรรมามาอย่างนี้พูดอธิบายให้ฟังในลักษณะนี้เขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาก็ยังเป็นทาโลกอายุแปดสิบปีก็ยังเป็นทาโลกอยู่คือไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยยังเป็นทาโลกอยู่ ยัคอยดูดนมจากพระทั้งหลายก็คอยป้อนนมอยู่นั่นนะ่ะพ่อแม่ที่ยังคอยป้อนข้าวลูกหรือให้นมให้นมลูกตอนที่ลูกอายุห้าสิบปีพ่อแม่ยังคอยให้ข้าวให้น้ําอยู่ทั้งทั้ ท, ที่ลูกนั้นไม่ได้ป่วยเติบโตมาแล้วมีร่างกายแล้วมีกําลังแล้วสามารถยืนด้วยลาแข้งตัวเองแล้วพ่อแม่ที่ยังป้อนข้าวให้ลูกอยู่พ่อแม่คนนั้นเป็นยังไงพ่อแม่คนนั้นเป็นยังไงพระที่คอยให้ศีลชาวบ้านอยู่นะ ป า, าติปาตาเวรมนีสิกขาปัตรรสมาดียามิอดินนาดานาเวรมณีจนฮอถึงสุรานุน่นะทุกวนันทุกวนันหรือทุกวนันพัะหรือทุกทุกงานใดก็ตามที่มีงานป้อนศีลให้กันอยู่ใช่เหมือนอยู่ในขั้นตอนของพิธีกรรนัน่นว่าแล้วไหมก็พิธีกรรม อ, อ, อีกแน่ศาสนาพูดไนเรื่อยแต่พิธีกรรม แล้วความจริงพูดไม่ได้หรือทีนี้ความจริงแสดงออกไปอย่างนี้ค่อยไม่ยอมรับความจริงกันหรือแล้วคือพูดไม่ได้ใช่ไหมความจริงเมื่อความจริงพูดไม่ได้พูดได้แต่ความลวงแล้วศาสนามีมีไว้ทําไม <c oughs> พูดแล้วก็ <c oughs> เขียนเนาะไม่น่าเขียนละ เครียดทำไเครียดกับมันทําไมเรื่องพวกนี้ชาวโลกคนที่เขาจะเป็นไปยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นพขาก็บอกว่าพระอาจารย์แสดงหลักธรมาอย่างนี้มันเพี้ยนแล้วเพี้ยนจากชาวโลกที่เขาทําอยู่เพี้ยนคนฟังอยู่นี่ก็เพี้ยนระวังนะฟังอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเพี้ยนนะ <c oughs> ที่เคยกดติดตามก็เลิกติดตามกันได้แล้วเดี๋ยวเพี้ยน <c oughs> แล้วไม่ต้องแชร์ไม่ต้องเถูกใจเดี๋ยวจะเพี้ยนกันหนักก็ใหญ่จะได้หยุดพูดเห็นไหมไ อ, อพูดนี่ไม่ใช่อยากจะพูดแล้วเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยเบื่อมาแล้วพูดมานานเนี่ยเบื่อแต่ทําไมถึงจะพูดก็ในเนี่ยภาษาสราะาเนี่ยในในในแบบเนี่ยในพระไทยปิฎกเนี่ยภาษาสราะาเราเกล่าสอนไว้ในหลักธรรมให้พระไตรปิกภิกษุจะต้องเป็นผู้ประกาศธรรมแสดงธรรม นี่ถ้าภาษาสดาไม่พูดไว้นี่จะไม่มาพูดเลยนั้เอพระฉนั้นภาษาสดาพูดไว้เคยตั้งใจที่จะไม่สอนคนมาหลายครั้งแต่ละครั้งก็ปรากฏมีนิมิตเข้ามาให้ให้ทราบภิกษุอไม่พูดหรอกนิมิตปรากฏขึ้นมาเป็นพุทธนิมิต ไ, ไม่เล่าให้ฟัง เบื่อนายกับคนพูดไปคนก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจใช่ า, า, ออารนานค่ะในการตั้งเจตนาในาในศีลนะคะเราตัง้ตงเจตนาวันเท่าที่โอกาสจะทำได้มันจะมีเาเรียกว่าถ้าเป็นวันพระเขาเรียกว่าอุโบสถศีลคือชั่ววันหนึ่งกับเพื่อนหนึ่ง ฮะเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอุโบสถเป็นปักปกติปักกัปากปักปกติคือคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเรียกว่าอุโบสถแต่ถ้าเป็นปฏิหาริยปักปฏิหาริยปักนี่สามารถสมาทานได้ตั้งแต่สาวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนสิบห้าวันสิบห้าคืนสามเดือนตลอดชีพเนี้ยเป็นเรียกปฏิหาริยปักไดแล้วแต่จะปักสมาทานแต่ถ้าเป็นอุโบสถโดยปักปกตินี่ก็คือ วั น, นกับเื่นหนึ่งตอนนั้นเองใน<ม>นี้ทางสายการพ อ, พอเดินพอเดินพามาถึง เ, เรื่องของการเราจะต้องพึ่งพาตัวเองใช่ไหมอัตตาเห็นตัวโนนโถเราพึ่งพาตัวเองไอ้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปเถอะนะพอเราจะต้องพึ่งพาตัวเองปั๊บเนี่ยทั้งศีลทั้งบุญทั้งบาปทั้งความเชื่อว่าโลกหน้ามีโลกนี้มี ทังความเชื่อต่างๆที่เป็นพื้นฐานของสมา ธ, ธิเป็นสิ่งที่เป็นข้อบูลและเป็นบทบาทเป็นเรื่องที่สําคัญเลยที่นี่เพราะเราต้องพึ่งตัวเราเราไม่ได้พึ่งอย่างอื่นเนี่ยความเชื่อดําเดินแรกแรกที่ครูเจ้าปูพื้นฐานมาให้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะอำนวยประโยชน์ให้เป็นทิศทางในชีวิตของเขาเวลาเขาจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามในสิบข้อเนี่ยจะเป็นมูญเหตุในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของเขาได้ทั้งชีวิตว่าเขาควรจะดําเนินชีวิต ให้เป็นไปในทิศทางของหลักแห่งความจริงหรือทางสายกลางนั้นอย่างไรงเมื่อเราต้องพึ่งตัวเรามาเข้าปับ๊บทำดีเราก็ได้ดีทำไม่ดีเราก็ได้ไม่ดีแต่เราไม่สามารถทำดีได้ตลอดไปเขาเรียกว่าไม่สามารถทำยังบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์ได้โดยง่ายคือโดยชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถทำบุญกุศลให้บริบูรณ์ได้โดยง่ายอย่างเงี้ยก็เริรู้สึกพบ ใช่ไหมพ่อรู้รู้ชัดอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วกรรมผลของกรรมมีรู้ชัดอยู่อย่างงี้พอรู้ชัดอย่างนี้ปุ๊บโอ้เราไม่สามารถทํากรรมดีให้บริบูรณ์ได้เพราะบางขณะก็กจิตใจก็โอเดเยียงไปในด้านที่มันไม่ดีบางขณะก็ตั้งมั่นดีบางขณะก็ไม่ดีก็แปรปวนไม่คงที่ทุกเกิดขึ้นเริ่มเห็นทุกข์หรือยังเนี่ยมันจะเริ่มหนีออกจากว่าจัก เอมีทางไหนที่หาความคงที่ความสมบูรณ์ในในด้านในด้านการบําเพ็ญกุศลกรรมให้บริบูรณ์ได้มีไหมทีเนี่ยทางสายกลางชั้นชั้นคอยตามบริจิตต์เริ่มเข้ามาเพราะความมีอยู่ของชีวิตเป็นทุกข์การร่างกายเราเนี่เป็นทุกข์การดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์แม้จะทําความดีอยู่ก็ตามก็ยังเป็นทุกข์อยู่ทําดีแล้วดีแน่แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกข์จะหมดไปเพราะการทําดียิ่งบางคนทาดียิ่งทุกข์มากกว่าคนทําไม่ดี ใช่ไหมเพราะการทําดีมันต้องเสียสลากใช่ไหมต้องเผื่อแผ่หรือคือยอมทุกข์าภายในตนเองเพื่อคนอื่นมีความสุขมันจะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นยิ่งทําอย่างนั้นมากโดยเฉพาะสาธารณประโยชน์ยิ่งต้องเสียสลากมากยิ่งต้องทุกข์มากกว่าคนอื่นโอ้ชีวิตนี้มีความทุกข์แต่ทําดีได้ดีไหมได้ดีการได้ดีไม่ได้ว่ามันจะไม่ทุกข์นะได้ดีคือได้ดีไม่ใช่ว่าได้ดีแล้วไม่ทุกข์ไม่ใช่ได้ดีคือต้องได้ดี อาการที่จะมีทุกข์ก็คือมีโดยปกติทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บ ค, ความตายมีอย่างนี้คือเรื่องธรรมดาต้องพัดผ้าต้องไม่ได้ดังใจไหมท า, างสายการในดเรื่องของอริยสัจเริ่มเข้ามาเลยเห็นทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์มีเพราะการมีอยู่ของกายกับใจใช่ไหมละ่ะทุกข์คือตัวกายตัวใจเป็นที่แสดงออกเหตุแห่งทุกข์คือความมีอยู่ของกายกับใจเพราะกายกับใจมีอยู่จึงมีทุกข์เกิดขึ้นหากไม่มีกายไม่มีใจทุกข์ก็จะไม่มี เมื่อไม่มีการไม่มีใจทุกข์แล้วไม่มีการที่จะทําให้ไม่มีกายไม่มีใจทํำยังไงเราก็เรียนรู้ในต่างของอริยสัจเข้ามาที่นี่อริยสัจในชั้นเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรคือการยึดถือกายยึดถือใจนั้เองการยึดถือกายยึดถือใจยึดถือด้วยอํานาจของทิฏฐิใช่ไหมความเข้าใจว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของข้างเราเมื่อเรามีความเข้าใจว่านี่เรานี่ของข้างเราเป็นตัวเราเราก็พิี่ณาร่างกายเป็นธาตุสีดินน้าไฟลมพี่นาจิตเป็นนามสีตามกระบวนการของมัน ถ้าตุสีนามสีประกอบกันเข้าจึงมีตัวเราขึ้นมาอ๋อกายกับจิตนี้เป็นแค่ทําอาศัยกันเกิดขึ้นปรุงแต่งกันขึ้นประกอบกันเข้าเหมือนกับเอาไม้มาค้าค้ำค้ำมีเสาเรือนมีโครง ม, มีขือ่อมีแปรเอาไม้มาค้ากันเึ็นเป็นตัวเรือน mm hmm. เมื่อแยกไม้ออกแต่และชิ้นแต่และชิ้นแต่และชิ้นตัวเรือนมีไหมไม่มีมีแค่ไม้ใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. เอาแปลว่าสังขารทั้งหลายปรุงแต่งกันขึ้นกายเราก็ถูกปรุงแต่งขึ้ น, นจิตเราก็ูถูกปรุงแต่งขึ้น ทุกเรื่องที่คิดปรุงแต่งขึ้นทุกอย่างที่รู้สึกก็ปรุงแต่งขึ้นทุกอย่างที่รับทราบก็ปรุงแต่งขึ้นเป็นเพียงแค่การทําอาศัยการเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ในสิ่งที่เป็นอาศัยการเกิดขึ้นนี้สังขารจึงมีคือการย่างลงในการยึดถือโดยอุปทานการยึดมันถือมั่นจึงมีพอสังขารมีจึงเกิดวิญญาณปฏิสนธิสืบต่อเนี่ยสืบต่อการรับรู้นั้นการรับรู้ในในในในตัวเองในธาตุสีขั้นห้า จึงมีนามรูปมีมีอายตานมีภาษาไปจนเกิดส่งผลให้เกิดมีพภพมิชาติขึ้นเห็นไหมทางสายกลางมันไปอย่างนี้นะมันไปอยากจากอย่างที่ว่านี่นะทางสายกลางมันไม่ได้ไปแบบอะไรพุทธเจ้าบอกว่าสุดตรงคือพวกนั่งนอนบนน้ําเราไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่ใช่สุดตรงแนละไม่ใช่เป็นเรื่องการตั้งความเห็นตั้งความเห็นที่ี เห็นทุกเห็นเฮีนได้เกิดทุกขเห็น ค, ความรับไปของทุกขห็นสรางไปได้ไปไดขึ้นความดบบามับทุกมันก็จะไปทางโลกุตาละเลที่นี้ไม่อยากจวนเวียนอยู่กับโลกที่อีกก็จะเบื่อนหน่ายแต่หากยังวนเวียนอยู่กับโลกต้องใช้หลักทางสายการอันเป็นสมาธิแบบโลกียัเนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสมาธิไปให้มันตลอดรอดฝังในโลกียังแล้วการปฏิบัติทางสายการก็ปฏิบัติตามแต่ตามแต่วิสัยที่บุคคลจะพึงกระทำ ในภาวะที่เป็นวิสัยธรรมชาติของตนพอผู้ยาดวางทางสายกลางไว้อย่างเนี้ยเวลาเขาจะมาเดินใครก็ตามที่เขามาเดินก็เดินด้วยด้วยธรรมชาติของตัวเองไม่ใช่องนี้ผู้นี้ทําอย่างนี้อยากจะทําแบบผู้นี้บ้างอันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเองไปทําแบบให้เป็นแบบคนอื่นการทําให้เป็นแบบคนอื่นที่ไม่ใช่วิสัยของตัวเองมันเป็นการทําแบบ ผิดธรรมชาติของตัวเองก็ยังไม่ใช่ทางสายกลางเห็นไหมเข้าใจไหมเออไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางก็คือต้องเดินตามธรรมดาของตัวเราธรรมดาของตัวเราคือธรรมชาติของเราไม่ให้ทําแบบใครไม่ทําเป็นเหมือนใครจะให้คนมาทําเป็นแบบอาตมา ก, ก็ไม่ได้อาตมาก็เป็นแบบอาตมาไม่เป็นแบบใคร ท่านพนมพรก็เป็นแบบท่านพนมพรท่านก็เดินทางสายการแบบตัวท่านเนี่ยเพียงแต่ว่าเรามีทิฐิอันเดียวกันที่เดินตามอย่างนี้แต่ธรรมชาติแห่งการเดินของใครของมันเพราะเส้นทางเดินเป็นเส้นทางเดียวคือทางสายการเนี่ยทางเดียวคนที่จะเข้ามาเดินอี่มามาด้วยวิธีหลากหลายตามแบบวิธีของใครของมันมันมีการเข้ามาเดินเนี่ย <D> <ๆ>แต่ต้องเดินในเส้นเดียวกันคือมีทิฐิอันเดียวกัน พุทธศาสนาชาวพุทธต้องมีทิฏฐิทางด้านสัมมาทิฏฐิอันเดียวกันจะมีทิฏฐิแตกกันไม่ได้จะเป็นเทรว า, าทมหายานหรือวัชรยานตันตระยานหรือยานอะไรก็ตามที่แตกกันออกไปมากๆต้องมีทิฏฐิอันเดียวกันในสัมมาทิฏฐิสิบประการนี้หากมีทิฏฐิอันเดียวกันในสิบประการนี้ส่วนแบบวิธีนั้นน่ะแต่ละคนเดินนั่นน่ะจะเดินแบบไหนก็ช่าง แต่มีทิฏฐิอันเดียวกันให้รวรอยกันถึงจะถูกนะเพราะอะไรเพราะธรรมชาติแต่ละคนมันมันแตกต่างกันอยู่แล้วมันจะให้มันเป็นเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่ว่ามามาสร้างทางสายการให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกันพิมพ์เดียวกันอันเดียวกันนั้นคือความเห็นใช่ไหมแต่วิธีการนั้นน่ะมันจะต้องเป็นเดียวกันไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาบังคับว่าชาวพุทธทุกคนต้องมีพุทธรูปต้องกราบไหว้ลูกพระลบอันนั้นเป็นสมาธิถิ่นไหมเป็นทางสายการไหมไม่ใช่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีพุทธรูปทําความดีได้ไหมไม่มีพุทธรูปหรือมีพุทธรูปทาชั่วได้ไหมเนี่ยยังไล่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่ามีหรือไม่มีแต่หาก็มีความเห็นที่ถูกต้องอันเดียวกันเราจะไม่มีความขัดแย้งอะไรก็ตามที่ไม่มีความขัดแย้งเนี่ย มันมันไม่มีอะไรทำลายได้แต่พวกเรามีความขัดแย้งกันมากเพราะสมาธิถีไม่บริบูรณ์ความเห็นไม่ตรงทางสายกลางเดินไม่ได้เพราะนั้นเราใครจะเดินแบบไหนก็ตามขอให้เดินเป็นๆทางสายสายกลางโดยมีทิศฐิในร่องลอยอันเดียวกันนี้ไปนะแต่วิธีการเดินของแต่ละคนใครจะเดินแบบเท้าเปล่าก็ได้ใครจะเดินแบบถีจ บ, บจั ก, กรยานไปก็ได้ใครจะเดินแบบขาเป๋ไป ก็ได้นะขาเป๋ไปคนขาเปมันก็มีนะคือวิธีการของเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เช่นทิเบตวิธีการเขาอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่ลำนวยให้เหมือนกับแบบวิธีการพาหมพุทธการใช่ไหมละ่ะเขาอาจจะมีการลดถอนสีขาบทบางสีขาวบดออกไปแต่เขายังถ้าเขายังเดินทางสายการได้ก็ควรเดินไปได้วยกันไม่ใช่ไปรังเกยียจคนขาเป๋อย่างเงี้ยมาหายานกับเทราว่า ก็ไม่ควรที่จะมอีอาคติต่อกันหรือมหานิกายกับธรมยุทธ์ก็ไม่ควรจะมีอาคติต่อกันหรือสายป่ากหรือสายบ้านก็ไม่ควรมีอาคติต่อกันแต่ให้มีทิฏฐิอันเดียวกันปองจึงบอกว่าทิฏฐิสามัญญาตามีทิฏฐิเสมอกันศีลัสามัญญาตามีสีเสมอกันใช่ไหมละ่ะให้มีความเสมอกันอย่างนี้จะเป็นไปในทางที่ดี ศา ส, สนากม็มีใครทำลายได้หรือใครจะขับรถไปมียานพันธนะเช่นพวกบําเพ็ญสมาธิมีฌานอันนี้พวกนั่งยานไปขับยานไปในเส้นทางนี้ก็ไปได้ใครจะเจริญวิปัสสนาขีข่เครื่องบินน่ะพวกจเจริญวิปัสสนาพวกพวกขีข่เครื่องบินเนี่ยครัพวกเรียนอภิธรรมทั้งหลายนหะากเรียนอะภิธรรมแต่สมาธิฐีแต่เดิมมาไม่ไม่ถูกต้องเป็นทางสายการไหมไม่เป็น ทำฌานสมาธิได้ชานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสีสมาธิทิไม่ถูกตั้งมาแต่เดิมเป็นทางสายกลางไหมไม่เป็นไม่ได้ทําฌานไม่ได้ทาสมาธิมีแค่ศีลแต่มีสมาธิทิทางเดินสายกลางเดินได้ไหมไปได้แล้วถึงเป้าหมายไม่ถึงเออมีคนมาเนี่ยเนี่ยมีคนสงสัยในี่ว่าศีลไม่บริบูรณ์จะภาวนาได้ไหม นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าอาจารย์ยมยังศีลไม่ดีเลยจะมาภาวนาได้ยังไงพรพุทธเจ้าตอบว่ายังไงในข้อนี้ยพุทธเจ้าตอบว่ายังไง ไ, ไม่รู้พุทธเจ้าบอกว่าสา ม, มารถภาวนาได้เพื่อให้ศีลบิบูระพุทธเจ้าฉลาดนะแม้วงจะวางไว้ว่า ศีลสมาธิปัญญาศีลทางศีลภาวนาอะไรพวเนี้เหมือนกับว่าต้องศีลก่อนถึงจะภาวนาได้คือเราไปเอาลาดับอย่างนี้พุทธเจ้าแท้ที่จริงแล้วค็ว่าตายสีขาในความหมายของพุทธเจ้านั่นอ่ะมันไม่ใช่แบบตายตัวแบบผู้อ์แม้จะตัดเป็นคำตายตัวก็จริงเ่ย แต่ในความหมายของพระเจ้าไม่ได้มีอะไรตายตัวเพราะทำทั้งหลายไม่เป็นอัตตาใช่ไหมไม่มีอะไรตายตัวหานะความตายตัวในตัวของมันเองไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าแม้พระองค์จะตัดศีลสมาสธิปัญญาก็กจริงแต่เราต้องมองว่าศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาที่พระองค์ทรงตัดจุดประสมเพื่ออะไรเพื่อบุคคลผู้ยังพอใจในวัตตต่าง ให้ยึดถือทานศีลภาวนานี้เป็นสมบัติติดตัวติดใจไปในการเป็นไปในปกแต่บุคคลที่จะออกจากตาวตาผู้ย่อไ่ได้สอนทานศีลภาวนานะองศ์สอนสมาธิถี่สมาธกขปสามาวจากรรมต่าอาชีวะวายมัตสติสมาธิก็คือมีปัญญามีศีลมีสมาธิแตกต่างกันคนละอย่างกันไม่เหมือนกันต้องแยกให้ออกหากศีลไม่บริบูรณ์ผู้จ้าบอกว่า ให้ภาวนาให้ภาวนาเลยนะศีลบริบุญให้ภาวนาภาวนาทําไมภาวนาเพื่อให้ศีลบริบูุญ <c oughs> เห็นไหมขุยฉลาดอยู่ในสีขาสูตรนี่แหละเดี๋ยวถ้ามีขอ้อมูลจะเอามาพูดอยู่ในนี่มีเรื่อเปล่าเนาะสีขาสูตรไม่น่านี่มีจําไม่ได้ว่าอยู่เรื่องไหนเดี๋ยวได้แล้ ว, วจะลงจะลงข้อมูลอยู่นะ ในภายหลังถามกันมานานนั่นแหละเรื่องพวกนี้พึงเธอพึงเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อทําให้สีขาบทบริบูรณ์อันนี้คือคําสอนปุตติจ้าจเจริญสติปัฏฐานสี่ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมคือการภาวนานั่นแหละภาวนานลึกเนี่ยเหลือสีขาบทจะ บ, บริบูรณ์เองข้อหาดูกายตามความเป็นจริงดูเวทนาตามความเป็นจริงดูจิตตามความเป็นจริง รู้ทำตามความเป็นจริงสีขาบทจะบริบูรณ์ขึ้นมาในความหมายผู้้าคือบริบูรณ์ด้วยโลกุตระคือบริบูรณ์ในชั้นของสมาธิที่ที่กระทําพระนิพพานให้ถึงกระแสจิตแห่งจิตในกระแสแรกแห่งนิพพานในจิตคือคือความเป็นโสดาบันเพราะโสดาบันจะได้เห็นธรรมชาติของศีลที่เป็นตัวศีลในอริยมรรคที่เกิดอริยผลที่บังเกิดขึ้นคือความเป็นโสดาบันนั้น เราบ้างวันนี้นะสแสดงว่าการภาวนาไม่ใช่การเดินงตรงๆการนั่งหลังตรงไม่ใช่การพุบโพงไม่ใช่การบูรุหายใจเข้อมององยุ๊บเลยใช่ไหมนี่ใช่นั้นเป็นกิริยาของการกระทําส่วนการภาวนาเป็นการพองเห็นเป็นเรื่องความเห็นคือคือบางที่คันเรารู้สึกว่ า, าเราไปภาวนาว่าคันเกิดจากอะไรอะไรไมันจยุงกัดถ้าเราคันถ้าเราไปภาวนาเออเราไปภาวนาว่าเออเราอัดาเราเราคัน คันแล้เราแค่เราคันเราก็ไปฆ่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าอ า, อาการคันเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะหาเตงอะไรเงี้ยอันนี้คือภาวนาใช่ไหมครับใช่รู้ความคันว่าเป็นทุกุรู้ว่าเพราะมีกายอยู่เป็นเหตุให้ยุงมากัดจึงเกิดความคันความคันเกิดขึ้นที่ตรงจุดแห่งยุกัดคือกายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อยู่แล้วโดยโดยโดยธรรมชาติใช่ไหมที่เราเรียนรู้กายเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ ยุงกัดตรงจุดไหนก็คันตรงจุดนั้นยุงกัดแขนก็คันที่แขนแขนจึงเป็นเหตุแห่งการตั้งอยู่ของความทุกข์ความคันเป็นความทุกข์เหตุก็คือความมีอยู่ของกายไม่ใช่ความมีอยู่ของยุงนะยุงไม่ใช่ตัวเหตุนะหากไม่มีกายในโลกนี้มันทําให้ใครคันได้ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเหตุคือความมีอยู่ของกายเมื่อมีกายอยู่ความคันก็ต้องปรากฏถือว่าผิดไหมผิดธรรมชาติไหมไม่ผิดเป็นเรื่องปกติ เพราะนั้นความคันจึงไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกประหลาดไม่ใช่เรื่องหน้าอัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องหน้าบาดตัวแต่เราไม่พอใจความคันนั่นเองจึงเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามความคันยังมีอยู่ใช่ไหมความคันมันได้หายไปตามความพอใจไม่พอใจของเราไหมนั้นเราไปตั้งความพอใจไม่พอใจไปทําไมถ้าเราตั้งใจไปว่าโอมันต้องคัน ก็มันก็เกิดความคันขึ้นมาก็ถูกแล้วที่มันต้องคันแล้วความคันมันตั้งอยู่ตลอดเวลาไหมไม่มันก็ดับหากเราอดทนสามารถดูความคันจนถึงความดับไปด้วยตัวของความคันเองความคันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาด้วยตัวของมันเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองมันก็ต้องดับไปด้วยตัวของมันเองถูกต้องไหมแต่เราไม่ยอมให้มันดับไปด้วยตัวของมันอ่ะเราก็ไปบรรเทามันเกา หากฝึกจริงๆแล้วดูความพันที่เกิดแล้วก็ดับไปด้วยตัวของความพันเองจะได้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมาหรือเปล่าและสิ่งนั้นจะดับลงไปด้วยตามธรรมดาของมันหรือเปล่าหากเรารู้เห็นสิ่งนี้แล้วกําหนด ด, ดูแค่ความพันจะเกิดดวงตาปัญญาเห็นทําได้จริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆนั่นเองเกี่ ย, ยวอ่าจะมานั่งสมาธิเกี่ยวไม่จริง เข้าใจหรื อ, อยังทางสายกาาว่ทราบะไรอีกมน้าพจะทราบวันนี้กว่าาเอามาคิดาใชก็กประโยชน์ของการแสดงคำก็มีอยู่เนี่ยเโอ้มหาาพสามหาาเมื่อก่อนก็อย่างี้แต่แต่ถ้าเทศแสดงคำไปจนหมดที่จะเทศแล้ว<ม><ม>ก็ต้อง มีเวลาหยุดมากนะอามาไม่ใช่ว่าจะต้องเทศตลอดอันนี้ไม่ได้เทศว่าจะต้องเทศอย่างนี้ตลอดไปเทศนี้ต้องมีเวลาวันปิดอยู่ น, นั่นี่แต่ขณนที่เทศใครรับฟังก็เอาไปพิจารณาให้เกิดปัญญาขณะที่เทศอยู่เนี่ยข่ะที่ยังทําการเทศอยู่แต่ถ้าปิดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้เทศอีกหรืออาจจะไปเทศในที่ที่เพ่อทีท่เปิดถ้เราไม่ปิดนะคะก็ยังมีเทศที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าถึงแม้จะลงไปเรื่อ ย, อยๆก็แล้วแต่แอดมินทําต่อไปอันนั้น อยากจะให้มีอยู่ก็ทําต่อไปของเก่าก็ดีมากหรือถึงแม้ว่าอาตมาตจะไม่ได้เทศในเพจนี้ธนุพนมพรหรือใครก็ตามก็มาเทศในเพจนี้ได้เพราะแต่ต้องเป็นทางสายการงานเดียวกันนะะไม่ใช่มาพากันไหว้กันเสียกันอะไรกันไม่ไหวนะอบอกเหม้อย่ำเหม้อยันนี้ไม่ไหวเลยเฮ้ยยงข้อส่งคลิปมาให้ดู พะแม่ใส่เต็มยุดเลยทาผ้าทาทางแบกแปบประหลาดอะไรหน่อยนะเป็นกลเป็นอะไรไม่รู้เลยค่อยชูนิ้วขึ้นตีนิ้วด้วยกี่นิ้วคนค่อยๆตีกันไปอ๋อท่านชูสามนิ้วสามแน่มาแน่ท่านชูห้านิ้วห้ามาแน่งานนี่ถ้ากำกำปั้นเอาศูนย์แน่คนนี้ก็ มมงายก็เยอะเหมือนกันมี่หน้าสันธิสุขานึมีเยอะกว่ามนุษย์เอาละมังวันนี้พอสมควรแก่เวลาเอวังเท่านี้อขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคน